สิขาบทที่สิบสามเรื่องพระชัวบคี6ก1สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินที่กาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชาวบคียืนถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างพระบัญญัติสิบสามพึงทำความสำเนียกว่าเราไม่เป็นไข้จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ เรื่องพระชาคีจบสิกขาบทวิพังภิกษุไม่เป็นไข้ไม่พึงยืนถ่ายอุจจาระหรือปัดสาวะภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อไม่เป็นไข้ยืนถ่ายอุจจาระหรือปัดสาวะต้องอบัติทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3ภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้5ภิกษุผู้มีเหตุ ข, ขัดข้อง หภิกษุวิกลจริตเจ็ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่13จบ